ตอนที่32นี่คือมุกอะไรกันเช้าวันรุ่งขึ้นเกาฉางเหอขับรถกระบะมาจอดที่หน้าประตูรั้วซูม่านอินและฉินเสี่ยวเยาได้ยินเสียงรถก็รีบจัดการตัวเองอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินคล้องแขนกันออกมาจากประตูเกาฉางเหอมองการแต่งกายของหญิงสาวทั้งสองคนแล้วถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยซูม่านอินสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ําเงินกางเกงสีดําฉินเสี่ยวยเยว่สวมเสื้อแขนสั้นสีเขียวห้ากางเกงสีเทา สหายซูพวกเรากําลังจะไปงานแต่งงานนะไม่ใช่งานศกเก้าช้างเหอชี้ไปที่เสื้อผ้าของทั้งคู่ทั้งสองคนแต่งตัวเรียบเกินไปหรือเปล่าพวกเราตั้งใจเลือกเลยนะซูม่นอินถือกระเป๋าเ้าใบาพลางยิ้มตอบวันนี้เป็นวันดีของเขาพวกเราจะแต่งตัวฉูดฉาดเกินไปไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นแย่งซีนเจ้าภาพจะโดนเขม็นเอาได้นะโทษได้แค่ว่าแม่เล็กสวยเกินไปนั่นแหละค่ะฉินเสียวเยเว่พูดล้อเล่นจริงไหมข้หัวหน้าสถานีเก่าเก้าช้างเหอถูกถามจนใบหูแดงระเรื่อขึ้นมาอีกครั้ง เออขึ้นรถเถอครับเก้าช้างเหอมุดเข้าไปในรถซูมานอินหยิกฉินเสี่ยวเย่าไปทีหนึ่งแล้วขู่เสียงเบาถ้าเธอยังพูดจะเลเออีกฉันจะให้เธอนั่งรถแทรกเตอร์ไปทั้งสองคนนั่งที่เบาะหลังด้วยกันแต่ซูมานอินยังคงเห็นเก้าช้างเฮ่อแอบมองเธอผ่านกระจกมองหลังอยู่เป็นระยะตลอดทางฉินเสี่ยวเย่เว้นเก้าช้างเหอคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยจนสืบรูภูมิหลังครอบครัวของเก้าช้างเหอได้เกือบหมดเปลือก ที่แท้เกาชางเหอมาจากครอบครัวทหารทั้งพ่อและปู่ของเขาต่างก็เป็นทหารตัวเขาเองก็เพิ่งปลดประจำการมาได้ไม่นานน้องชายของเขายังอยู่ในกองทัพพี่สาวทํางานอยู่ที่กรมพาณิชย์ส่วนที่เคยทํางานอยู่ที่กองบังคับการจราจรรถกระบะคันนี้ก็เป็นของพี่เขยนั่นเองหัวหน้าสถานีก็ขะ ข, ขอถามคาถามส่วนตัวหน่อยได้ไหมชินเสียวเยวบขิบตายอย่างเจเลโดยไม่รอให้อีกฝ่ายตอบเธอก็ยิงคาถามใส่ทันที คุณหล่อขนาดนี้ทำไมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีแฟนอีกคะซูมานอินใช้ข้อศอกกระทุ้มชินเสี่ยวเย่าไปทีหนึ่งแต่ชินเสี่ยวเย่ากลับไม่ยอมหยุดแถมยังซ้าเติมเข้าไปอีกดอกที่บ้าไม่รีบเหรอคะเกาช้างเฮาหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงฮ่าฮาจะไม่รีบได้ยังไงละ่ะครับบนกันทุกวันยิ่งช่วงตรุษจีนนี่แทบจะเหมือนถูกประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนเลยงั้นคุณก็หาสักคนสิคะด้วยเงื่อนไขของหัวหน้าสถานีเก่าสาวๆคงยอมให้คุณเลือกตามใจชอบเลยละ่ะ ชินเสี่ยวเย่เว่เริ่มสอดรู้สอดเห็นมากขึ้นเก้าช้างเฮือเหลือบมองสู่ม่านอินที่ไม่ยอมพูดจาผ่านกระจกมองหลังแล้วถอนหายใจเรื่องแบบนี้มันต้องดูที่วาสนาด้วยครับจะให้ตบมือข้างเดียวมันคงไม่ดังหรอกหัวหน้าสถานีเก่าคะคุณเป็นผู้ชายแถมยังมาจากกองทับเรื่องความรักน่ต้องกล้าหาหน่อยนะคะฉินเสี่ยวแย้วขยับก้นหนีให้พ้นระยะโจมตีของข้อศอกซู่ม่านอินเผื่อไปเจอคนที่ปอดแหกเรื่องความรักเข้าเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปนะคะปอดแหกว่าใครกัน ซูมานอินเบิกตาจ้องคำเหงิงไปที่ชินเสี่ยวย่อชินเสียยเส่ยวย่าทำหน้าทะเลึ่ใส่แล้วชี้ไปที่กระจกมองหลังซูมานอินมองตามไปก็พบว่าในกระจกนั้นดวงตาโตๆของเกาฉางเหอกําลังจ้องมองเธอพร้อมรอยยิ้มรถกระบะวิ่งได้ทั้งเร็วและนิ่งแม้จะเป็นถนนลูกรังในหมู่บ้านก็ไม่สั่นสะเทือนเหมือนเมื่อก่อนไม่นานรถก็มาถึงหน้าบ้านของลุงหวังเมื่อทั้งสามคนลงจากรถก็ประจวบเหมาะกับที่ขบวนรถเจ้าสาวมาถึงพอดีฝ่ายต้อนรับเริ่มปล่อยลูกอามารสผลไม้ ทั้งสาคนเบียดเสียดเข้าไปในฝูงชนเพื่อร่วมยั่งลูกอมกับเขาด้วยเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวช่วยกันเปิดทางเจ้าบ่าวแบกเจ้าสาวขึ้นหลังแล้วรีบมุดเข้าไปในบ้านอย่างชื่นมืน่นทุกคนต่างโห่ร้องตะโกนกล้องแต่ไม่มีใครพุ่งเข้าไปขัดขวางหรือทําให้ลำบากใจชิ้นเสี่ยวเย่เว่เก็บลูกอมรสผลไม้มาได้สองเม็ดแล้วอวดซูมานอินอย่างได้ใจแม่เล็กดูสิขารส้มด้วยซูมานอินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนี่ใช่ฉิ้นเสี่ยวเยว่คนเดิมที่ขาดเนื้อไม่ได้และเรื่องมากเรื่องกินคนนั้นจรริงหือ แค่ลูกอามารสผลไม้รสส้มสองเม็ดก็ทำให้เธอดีใจได้ขนาดนี้เชียวงานแต่งงานนี้ทั้งคึกคักและดูมีอรารยธรรมจริงๆเลยนะคะฉินเสี่ยวเย่เว่พูดอย่างร่าเริงหัวนหน้าสถานีเกาค้าเมื่อไหร่จะเริ่มโต๊ะจีนหรือคะซูมานอินรู้อยู่แล้วว่าที่ชินเสี่ยวเยอะเยอดข้าวเช้าก็เพื่อจะมารอจัดหนักมื้อเที่ยงนี่เองเสี่ยวเย่เว่กินแต่พอดีนะอย่า ก, กินจนจุดอีกละ่ะซูมานอินเตือนด้วยความหวังดีชินเสี่ยวย่าวย้ำปากยื่นพางบน แม่เล็กขยันมาใช้เรื่องน่าอายของหนูต่อหน้าคนพวกนี้ได้ไหมคะขณะที่กําลังพูดคุยหยอกลอ้อกันอยู่นั้นสหายตํารวจเสียหวังก็เบียดตัวเข้ามาหัวหน้าครับสหายสู่เชิญข้างในเลยครับที่นั่งของพวกคุณอยู่ในบ้านครับตกลงครับเพราะคนเยอะเกาฉังเหอจึงกุมมือของซูมานอินไว้โดยตรงแล้วพุ่งฝ่าเข้าไปข้างในซูมานอินคิดในใจว่าเธอเดินเองก็ได้แต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธปล่อยให้มือใหญ่ของเกาชังเหอกุมมือเล็กๆของเธอไว้แบบนั้น มันช่างมั่นคงและอบอุ่นเหลือเกินส่วนชินเสียวย่าวก็ใช้สองมืออบเอลซูมานอินไว้แล้วเบียดเสียดตามเข้าไปในบ้านอย่างทุลักทุเลหัวหน้าสถานีก็คนที่ท่านควรจะปกป้องที่สุดควรจะเป็นข้านะชิ้นเสียวเยเวบนอุบกระฉังเหอได้ยินดังนั้นก็มองมือของซูมานอินที่ชักกลับไปก่อนจะกระแอมแก้เกอ้อแล้วหันไปดุเสี่ยวหวังที่กำลังยืนดูเรื่องสนุกอยู่หวังเหลียนซานเจ้าเป็นอะไรไปไม่รู้จักดูแลมวลชนที่กําลังลําบากหรือไง เจ้าหน้าที่ตำรวจหวังเหลียนซาน ร, รู้สึกว่าตนเองช่างอายุติธรรมยิ่งกว่าโตเอ๋อร์เสียอีกแต่ในวันมงคลเช่นนี้เขาจึงได้แต่ทำหน้าทะลึ่งพางกล่าวขอโทษขอโทษด้วยนะสหายชินวันหน้าวันหน้าข้าจะเรียนรู้จากหัวหน้าสถานีก็แล้วจะกุมมือเจ้าไว้ให้แน่นๆเลยชินเสี่ยวเย่เว่คิดไม่ถึงเลยว่าหวังเหลียนซานคนนี้ก็เป็นพวกมีอารมณ์ขันเหมือนกันลุงหวังเห็นหลานชายพาแขกผู้มีเกียรติทั้งสาคนเข้ามาในบ้านก็รีบเข้ามาต้อนรับอย่างกระตือรือร้อน ขอโทษด้วยนะแม่หนูเดิมที่ข้าตั้งใจจะให้เจ้ามาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ผลสุดท้ายไม่เป็นไรหรอกเจ้าคุณลุงขอแค่มีของกินของดื่มก็พอแล้วชินเสี่ยวเย่เว่รู้สึกพอใจมากการเป็นเพื่อนเจ้าสาวนั้นแม้จะได้หน้าได้ตาแต่ก็ต้องได้กินข้าวช้าสู้มานั่งร่วมโต๊ะจีนเลยจะดีกว่าลุงหวังล้วงอังเปาออกมาจากกระเป๋าแล้วยัดใส่มือชินเสี่ยวเยเ่ทันทีถึงจะไม่ได้เป็นแต่ลุงก็เก็บเงินของขวัญเพื่อนเจ้าสาวส่วนนี้ไว้ให้เจ้ารับไปเถอะแม่หนู ชินเสี่ยวเยเว่รู้สึกงงเล็กน้อยหวังเหรียญซานกำลังจะอ้าปากอธิบายแต่ก็ถูกก็ฉางเหอชิงผู้ตัดหน้าเสียก่อนนี่เป็นธรรมเนียมของหมู่บ้านคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวจะต้องได้รับเงินของขวัญถือว่าเป็นค่าเหนื่อยดวงตาของฉินเสี่ยวย่าวเป็นประกายขึ้นมาทันทีคุณลุงท่านช่างใจกว้างจริงๆข้าขอฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของท่านเลยแล้วกันลูกสาวพ่อบุญธรรมซูม่านอินที่อยู่ด้านข้างสายหน้าไปมาจบกันฉินเสี่ยวเยเว่วคนนี้บ้าไปแล้ว ซูมานอินและชินเสียวเย่เว่ยนั่งลงที่โต๊ะจีนรอบแรกพูดตามตรงว่าหน้าตาอาหารนั้นดูเรียบง่ายและบ้านบ้านมากสิ่งเดียวที่ดูสวยงามก็คือมะเขือเทศคลุกน้ําตาลตรงกลางมีมะเขือเทศสีแดงลูกหนึ่งถูกหั่นเป็นกลีบดอกบัวถือว่าพอจะมีศิลปะอยู่บ้างส่วนจานอื่นๆนั้นอย่าได้ถามหาความสวยงามเลยแต่ข้อดีก็คือปริมาณเยอะและรสชาติดีตอนแรกชินเสียวเย่ยังคงสำรวมอยู่บ้างแต่ภายหลังก็เริ่มปล่อยตัวปล่อยใจไม่ปล่อยไม่ได้หรอก เพราะพวกคุณลุงคุณป้าในหมู่บ้านนี้กินกันเร็วเหลือเกินซูมานอินมองท่าทางการกินของลูกสะพายที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็กระแอมไอเตือนอยู่หลายครั้งแต่อีกฝ่ายกลับทําเหมือนไม่ได้ยินสหายซูอาหารไม่ถูกปากหรือเกาช้างเหอเห็นซูมานอินคีบอาหารกินอย่างเนิบนาบจึงถามด้วยความสงสัยถ้าจะไม่รีบกินอีกประเดี๋ยวอาหารอาจจะหมดเอานะซูมานอินกระพริบตาปริบๆแล้วถามกลับอีกไม่นานก็จะมีรอบที่สองไม่ใช่หรือคะ เกาช้างเหอนชงักไปครู่หนึ่งก่อนจะฉีกยิ้มจนเห็นฟันขาวเรียงรายสหายูหรือว่าเจ้าก็เคยเป็นทหารมาก่อนคราวนี้เป็นทีของซูม่านอินที่ต้องมองบ้างนี่มันมุกอะไรกันอีกล่ะเนี่ย